ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการทำหรือสร้างความสวยงามเสริมเสริมสวยความงามของชีวิตจิตใจของเรา <c oughs> เพราะความสวยงามของทางจิตใจนี้มีคุณค่ามีประโยชน์และเป็นความสวยงามที่แท้จริง เป็นความสวยงามที่ยั่งยืนถาวรไม่เหมือนกับความสวยงามทางร่างกายที่เป็นความสวยงามที่ไม่ไม่แท้จริงเป็นความสวยงามที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสวยงามที่ไม่ให้ความดุลเดิมต่อจิตใจเหมือนกับความสวยงามทางด้านจิตใจ พระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่ความสวยงามของใจเป็นหลักเพราะความสวยงามทางร่างกายนี้ย่อมเสื่อมไปตามการตามเวลาและไม่ได้เป็นความสวยงามที่ประทับใจหากใจไม่สวยงามด้วยคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม แต่ใจไม่สวยงามจะเป็นคนที่ไม่มีคนอยากจะเข้าใกล้อยากจะคบค้าสมาคมด้วยที่เขาเข้าใกล้เพราะเขายังไม่เห็นใจของเราว่าเป็นอย่างไรนั่นเองเห็นแต่ความสวยงามภายนอกเห็นรูปร่างหน้าตาเห็นเสื้อผ้าอภารรต์ต่างๆที่สวมใส่ก็ดูแล้วก็สวยงามดี แต่พอได้อยู่ใกล้ชิดกันได้รู้จักกันได้เห็นเห็นใจกันจริงๆ จ, ง จ, งจึงจะรู้ว่าไม่ได้สวยเหมือนกับร่างกายดังนั้นแม้จะเป็นดาราภาพยนต์จะเป็นนางงามจักรวาล<ม>ก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่กับคู่ครองไปได้ยืนยาวนาน ถ้ามีใจไม่สวยงามเพราะเมื่ออยู่กันไปแล้วก็จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดเกิดความ <c oughs> ไม่ชอบอกชอบใจในกันละกันรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนั้นไม่สามารถเหนี่ยวรั้งความความสามคัคคีความรักปล่องดองของคู่ครองได้ จึงมีข่าวอยู่เรื่อยๆในบรรดาผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเช่นดาราภาพยนตร์ต่างๆหรือนางงามต่างๆมักจะไม่มีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนมักจะมักจะไม่ค่อยมีความสุขกันเพราะหลงไปเสริมที่ความสวยงามทางรูปร่างหน้าตาไม่ได้หันมาสวยงาม มาเสริมสวยความงามทางด้านจิตใจจึงไม่ได้เป็นคนที่สวยงามที่แท้จริงจึงไม่สามารถรักษาคู่ครองของตนไว้ได้เพราะไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาริ่มเรียนได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองมัวแต่ไปฟังคาสั่งสอน ที่ผ่านมาตามสื่อต่างๆเช่นโฆษณาทางด้านโทรทัศน์วิทยุมักจะสอนให้เราหลงอยู่กับความสวยงามทางรูปทางกายด้วยการเสริมเสื้อผ้าก็ดีเสริมหน้าตาก็ดีเสริมทรงผมก็ดีหรือเสริมอะไรส่วนต่างๆก็ดี แต่หารู้ไมมว่าความสวยงามแบบนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับคนที่ตนรักไปได้อย่างยืนยาวนานเพราะไม่ได้หันมาให้ความสนใจต่อความสวยงามของจิตใจนั้นเองความสวยงามของจิตใจนั้นก็คือต้องมีความ เสียสละคือไม่เห็นแก่ตัวต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรเราอย่าคิดแต่เอาแต่ใจเราเป็นหลักเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็มีใจเหมือนเราเขามีความต้องการเหมือนกับเราแต่ความต้องการนั้นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ เช่นคนหนึ่งอยากจะอยู่บ้านอีกคนหนึ่งอยากจะออกไปข้างนอกอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้ดังนั้นคนหนึ่งต้องเสียสละ ancestors. คนอยากจะออกไปข้างนอกหรือคนคนที่ไม่ได้อยากออกไปก็ต้องเสียสละออกไปด้วยหรือคนที่อยากจะออกข้างนอกก็เสียสล ะ, ะอยู่บ้านกับคนที่อยากจะอยู่บ้าน ถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ทะเลาะเบาแวงกันหรือถ้าเกิดไปอยากในสิ่งเดียวกันแล้วต้องแย่งกันคนหนึ่งก็ต้องเสียสละอย่าไปแย่งให้เขาไปไม่เป็นไรของนอกกายมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรความอยากของเราทำให้เราเกิดเห็นความสำคัญของมนของมันไปอย่างนั้นเอง พอได้มาแล้วมันก็หมดความสำคัญไปเราอยากได้อะไรมาต้องมากมายหลายอย่างเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ไม่ได้ไปมีความสุขอะไรกับมันมากนะมีความสุขเชื่อเพียงประเดียวประดาวแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งมันไปปล่อยมันไปไปหาสิ่งอย่างอื่นต่อไปอีกดังนั้นการเสียสละจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ยากเย็นอะไรถ้าเรามีปัญญาสักหน่อยถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากนี้ความจริงมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณมันให้ความทุกข์กับเรามากกว่าความสุขถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเวลาเราอยากจะได้อะไรเพราะความเผลอเพราะความหลงของเราสติปัญญาของเราตามาไม่ทัน แล้วต้องเกิดไปแย่งกับคนอื่นถ้าเราได้สติได้ปัญญาคิดสัหน่อยเราก็จะถอยออกมาได้เพราะของที่เราได้มานั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็ น, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเหตุของความกังวลของความหวงแหนของความห่วงใยของความอาลัยอาวรณ์ เมื่อได้มาแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาและเมื่อสูญเสียไปก็ต้องร้องโหยร้องไห้ความสุขที่ได้มันไม่มีเท่าไหร่เลยได้เพียงแต่ดีอกดีใจว่าได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มาเท่านั้นเองนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาคอยสอนตัวเราอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจริง ที่ให้ความสุขกับเราอย่างจริงจริงจังยกเว้นสิ่งที่จำเป็นต่ อ, อการครองชีพเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึง่งห่มสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่เราต้องมีพอประมาณแต่มันมีมากพอที่จนเราไม่ต้องไปแย่งกันต่างคนต่างหากันมาได้ ไม่จำเป็นจะต้องไปแย่งกันไม่จำเป็นจะต้องไปทะเลาะเบาแวงกันคนเราอยู่ร่วมกันแล้วมีความรักกันจะดีกว่าเพราะจะทำให้ทุกคนสบายอกสบายใจเวลาแย่งกันแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันสามีภรรยาถ้าแย่งอะไรกันก็ทะเลาะกันพี่น้องถ้าแย่งของกันก็ทะเลาะเบาแวงกันแต่ความสามัคคี อยู่กันด้วยกันไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อความสวยงามทางด้านจิตใจนั่นเองเราโมวแต่ไปให้ความสำคัญต่อร่างกายเราจึงต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันเพราะา ก, การที่จะทำให้ร่างกายเราสวยงามนี้จะต้องใช้เงินใช้ทองมากจะต้องไปซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ซื้อเครื่องประดับราคาแพงๆซื้อเครื่องสําอางราคาแพงๆไว้มาคอยเสริมหน้าเสริมตาเราแทนที่จะเอาเวลาเอาเงินทองที่หมดไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้เอามาใช้กับการเสริมความงามทางจิตใจของเราจะดีกว่าเช่นเอาเงินทองมาทําบุญให้ทานมาสงเคราะห์ มาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่จากเราไปแล้วเขาอาจจะไปตกทุกข์ได้ยากในทางดวงวิญญาณถ้าหากเขาไม่ได้ทำบุญไม่ได้เสริมความสวยงามทางจิตใจมาเขาก็จะไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมหรือได้ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เขาอาจจะเป็นผู้ที่ต้องระเหยเลร่อนเป็นขอทาน หวังพึ่งส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่มีชีวิตอยู่ถ้าะระลึกถึงผู้ที่จากไปอยากจะให้เขาได้มีความสุขก็ทำบุญกวดน้าอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับเขาถ้าเขาอยู่ในสภาพที่กำลังรอรับส่วนบุญเหล่านี้อยู่เขาก็ได้รับ ถ้าทำบุญแล้วไม่อุทิศเขาก็จะไม่ได้รับต้องอุทิศการอุทิศนี้ไม่ได้จำไม่จาเป็นจะต้องใช้น้าเพราะบุญที่อุทิศนี้เป็นบุญที่อยู่ในใจของเราน้ำเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ของบุญที่เราทำที่มีอยู่ในใจของเราคือกระแสจิตของเราที่คิดถึงผู้ที่เรารักคิดถึงผู้ที่เราปรารถนา จะให้เขามีความสุขปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกนี่แหละคือบุญไม่มีน้ำก็อุทิศได้กรวดได้การใช้น้ำนี้เป็นการสอนให้คนเห็นว่าบุญนั่นเป็นยังไงบุญนี้เปรียบเหมือนกับกระแสน้ำเวลาเราเทไปมันก็ไหลไปตามที่เราต้องการให้มันไป เช่นเราเทใส่แก้วเป็นตน้นบุญก็เช่นเดียวกันบุญที่เราอุทิศนี้ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานให้ไปสู่ผู้ที่เราปรารถนาให้ได้รับถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญอันนี้ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่ไม่ต้องรับบุญอันนี้ ถ้าเขาทราบเขาก็จะอนุโมทนาบุญที่เราที่นี้ก็ไม่สูญหายไปไหนก็กลับมาสู่ใจของเราเป็นของเราเหมือนเดิมและจะทำให้ใจของเรานั้นสวยงามทำให้ใจของเรามีระเบียงไว้คอยสนับสนุนเราในเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปเรา จะได้ไม่ต้องมารอบุญอุทิศของผู้อื่นเพราะบุญที่เราทำในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้มีมากกว่าได้มากกว่าบุญที่เขาอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุญที่อุทิศไปนี้เป็นส่วนน้อยเป็นเหมือนกับสตางหรือเงินที่เราให้ขอทานพอให้เขาได้ มีอาหารอะไรรับประทานไปวันวั น, วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่เหมือนกับบุญที่เรามาทำกันในวันนี้เช่นทำบุญให้ทานกับพระภิกษุสา ม, มเณรหรือเราทำกับผู้อื่นก็ได้ทำกับคนใกล้ชิดเราก็ได้เช่นทำกับสามีทำกับภรรยาของเราให้เขามีความสุขบ้าง อย่ามองข้ามคนใกล้ตัวเราเพราะคนใกล้ตัวเราเขาก็มีจิตมีใจเหมือนกันเขาก็ต้องการความเอา อ, อกเอาใจความเห็น อ, อกเห็นใจด้วยกันเช่นเดียวกันการให้กันและการนี้แหละคือการทำบุญและในขณะเดียวก็เป็นการสร้างความสวยงามของตนด้วย จะทำให้คู่ครองนั้นอยู่ร่วมกันด้วยความสุขและความรักความปรารถนาดีต่อกันสิ่งที่เราต้องทําหรือต้องระมัดระวังก็คือความเห็นแก่ตัวและอารมณ์ที่ไม่ดีเวลาที่เราจะพูดกับใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักเราควรมีสติ ถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเวลาพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าปล่อยให้พูดไปตามอารมณ์เพราะจะทำให้คนฟังนี่เขาเสียความรู้สึกจะทำให้เขาเห็นว่าเรานี่ไม่สวยงามเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของเราถ้าเรามีสติสักหน่อยก่อนจะพูดอะไรเราก็คิดให้ดีแล้วพูดไปด้วยความสุภาพเรียบร้อย หรือถ้าเราไม่มีอารมณ์อยากจะพูดก็ขอตัวไปก่อนบอกว่าไม่อารมณ์ไม่ค่อยดีวันนี้ไม่อยากจะพูดอะไรพูดไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายขึ้นมาถ้าเราพูดกันดีๆอย่างนี้ก็จะทำให้หนักนั้นเป็นเบาได้แต่เราส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่มีสติกัน ไม่ค่อยได้ดูอารมณ์ของเราและเราไม่ค่อยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น mm. เวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีเรามักจะพูดอะไรที่ไม่ค่อยดีออกไปพูดคำหยาบบ้างพูดเสียดสีบ้างพูดกระแทกกระทันบ้างซึ่งไปกระทบกับคนฟังทำให้คนฟังที่เรารัดที่เราอยากจะให้เขาอยู่กับเรา ที่เราอยากจะให้เขารักเรานั้นกับไม่สามารถที่จะรักเราได้ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้เพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่มีความโลภโมโทสันมีแต่อารมณ์บูดเบี้ยวอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือความไม่สวยงามของจิตใจคืออารมณ์ต่างๆนี่เองความบูดเบี้ยวความโลภโมโทสัน ถ้าเราอยากจะให้ตัวเราสวยงามเป็นที่น่ารักเราต้องพยายามกำจัดอารมณ์บูดเบี้ยวต่างๆความโลภโมโทสันต่างๆด้วยการบาเพ็ญตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราเสียสละให้เราให้การให้ก็มีการสิ่งที่เราให้ได้หลายอย่างด้วยกันให้ข้าวของเงินทอง ให้ความรักคือให้การให้อภัยเวลาผู้คนที่เรารักนั้นเขาทำอะไรให้เราโกรธเราก็อย่าไปโกรธเขาเราควรจะให้อภัยให้อภัยกับเขาเพราะต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรานั้นย่อมมีการผิดพลาดได้คนเราย่อมมีอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีได้ มีความโลภโมโทสันเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเกิดอารมณ์ไม่ดีแล้วเขาพูดหรือทาอะไรไม่ดีเราก็ควรที่จะให้อภัยเพราะว่าคนเรานั้นมันไม่ใช่จะไม่ดีไปตลอดส่วนที่ดีของเขาก็มีอยู่มากเราควรจะมองไปในส่วนที่ดีของเขามองไปใน เวลาที่เขาทำอะไรดีกับเราแล้วก็มาชั่งน้าหนักดูเราจะเห็นว่าความดีของเขานั้นมากกว่าความไม่ดีเพียงแต่ว่าเราไม่คิดอย่างนี้พอเขาทำอะไรหรือพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาเพียงเล็กน้อยก็เป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ดีไปหมดเลยความดีต่างๆที่เขาทำมาให้กับเรานี้ก็ หายไปหมดเลยแต่ความจริงมันไม่หายเพียงแต่ว่าใจของเราไม่ไปคิดถึงมันเท่านั้นเองพอถ้าเราไม่คิดถึงความดีของเขาแล้วเราไม่ให้อภัยมันก็จะสะสมความโกรธให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่นานมันก็จะระเบิดออกมาก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงและ อาจจะต้องถึงกับการทำร้ายร่างกายของกันและกันจนไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปทั้งทั้งที่ทั้ ง, ง, ง, ง, ง, งสองฝ่ายก็มีความปรารถนาที่อยากจะอยู่ร่วมกันไปอย่างยืนยาวนานแต่ไม่สามารถทำได้ก็เพราะขาดการเสริมสร้างความสวยงาม ทางด้านจิตใจนั่นเองดังนั้นจึงขอให้เราพยายามสร้างความสวยงามอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเสียสละเรื่องของการให้อภัยเรื่องของการช่วยเหลือกันและกันและเรื่องของความซื่อสัตย์สุดจริญต่อกันและกันอยู่ด้วยกันต้องมีความไวเนื้อวางใจกันได้ ต้องเชื่อใจกันได้อย่าไปเครือบแคลงสงสัยในพฤติกรรมของคู่ครองของเราต้องเชื่อมั่นว่าเขามีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์กับเราอย่างน้อยก็ทําให้เราสบายใจถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับเราแต่เราไม่ไปคิดเครือบแคลงสงสัยเราก็จะอยู่อย่างเย็นเป็นสุขจนกว่าเราจะ จับได้คาหนังคาเขาเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องคุยกันปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรจะแก้ไหมจะแก้ตัวไหมถ้าจะแก้ตัวก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่ถ้ายังต้องไปเห็นอย่างจะจะอีกในครั้งต่อไปก็ต้องถือว่าไม่สมควรที่จะอยู่ร่วมกันอีกแล้ว แต่เราไม่ต้องไปโกรธกันไม่ต้องไปเกลียดกันเราคุยกันดีๆได้แล้วเลิกกันอย่างดีได้ยังมองหน้ากันได้ยังเป็นมิตรกันได้คิดเสียว่าชาติก่อนไม่ได้สร้างบุญมาร่วมกันก็แล้วกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วไม่สามารถอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดก็แยกกันอย่างเป็นมิตรก็ได้ไม่ต้องแยกกันแเป็นศัตรูกัน เพราะมันจะเป็นเวรเป็นกรรมเดี๋ยวไปเกิดชาติหน้าก็ไปเจอกันก็จะไปเกลียดชังกันไปจองเวรจองกรรมกันอีกต่างฝ่ายต่างจะไม่มีความสุขถ้าใจมีความอาฆาตพยาบาทมีความจองเวรจองกรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้อภัยทรงสอนว่าเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร ดังนั้นเราจึงควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างน้อยเราควรจะมีความซื่อสัตย์ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์นั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราบังคับเขาไม่ได้คนที่เสียหายไม่ใช่คนที่มีความซื่อสัตย์แต่คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่างหากที่จะเสียหายเพราะจิตใจของเขานั้นได้เสื่อมลงแล้วรูปร่างหน้าตาของเขาไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว เขากลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วสังเกตดูเดรัจฉานเช่นสุนัขนี้เขาจะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเขาเขาอยากจะเสพสุกกับใครเมื่อไรเวลาเขามีโอกาสเขาก็จะทำทันทีเพราะจิตใจของเขาขาดสติปัญญาความรู้ผิดถูกดีชั่วที่เป็นเหตุที่จะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเอง ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่สามารถรักษาสติปัญญาความรู้ถูกผิดดีชั่วได้ก็จะไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกจะต้องกลับไปเกิดเป็นเทราชานตามสามัญสำนึกของจิตใจของเขาจนกว่าจะหลุดพ้นจากความหลงผิดอ น, นันต์แล้วได้สติมีความรู้สึกผิดถูกดีชั่วอีก ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่แหละคือความสำคัญของการทำความดีของการรักษาศีลคือมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนไม่หลอกลวงกันถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเราจะอยู่อย่างมีความนุ่มเย็นเป็นสุขเราจะมีความภูมิใจเราจะมีความกล้ า, าหาญ ไม่หวาดกลัวต่อผู้อื่นไม่ว่าใครจะมาตําหนิว่ากล่าวอย่างไรเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะเราไม่ได้มีความเสียหายตรงไหนให้เขาต้องมาตําหนิว่ากล่าวเราได้ถ้าเขามาตําหนิว่าเราเป็นคนยากจนมีรูปร่างหน้าตาม่ดีไม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใสถึงแม้จะเป็นความจริง มันก็ไม่สาคัญอะไรเพราะเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีสาระอะไรสาระของคนเราอยู่ที่ใจอยู่ที่ศีลธรรมคนเราทุกคนนี้มักจะอับอายขายหน้าถ้ามีใครมาพูดว่าเราเป็นคนโกหกหลอกลวงว่าเป็นคนขี้ขโมยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนี่คือความไม่ดีที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีศีลธรรม แต่การที่เราไม่มีเงินทองไม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่มีเสื้อผ้าอภรรสวยๆงามๆไว้ใส่นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรพระภิกษุท่านก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามอย่างไรท่านโกนศีรษะเสื้อผ้าอภรรของท่านก็มีอยู่ชุดเดียวใส่อยู่อย่างนั้นซ้ำๆ ซ, กซกัซกๆก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเงินทองเข้าของท่านก็ไม่มีอะไรมากมาย นอกจากบริขาร8คือบาทจีวรสามผืนที่กรองน้ำเข็มกับได้ เ, เข็มขัดรัดเอวแล้วก็ใบมีดโกนนี่คือสมบัติของคนของนักบวชก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครและตัวนักบวชเองท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไร ท่านก็มีความสุขอยู่กับการอยู่แบบนั้นเพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงต้องสุขที่จิตใจเพราะไม่เพราะไม่มีความกังวลกับอะไรนั่นเองถ้ามีอะไรก็ต้องกังวลกับสิ่งเหล่านั้นมีสามีก็ต้องกังวลกับสามีมีภรรยาก็ต้องกังวลกับภรรยามีลูกก็ต้องกังวลกับลูกมีสมบัติข้าวของเงินทอง ก็ต้องกังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองแทนที่จะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นกลับต้องมาทุกขกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความหลงของเราเมื่อเรามีอะไรเราก็หลงยึดติดว่าเป็นของเราเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงเราก็รู้ว่ามันไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดมันต้องจากเราไปสักวันหนึ่งไม่ช้า ก, ก็เร็ว ถึงแม่รู้อยู่แต่ก็ยังไม่สามารถหักห้ามจิตใจได้เพราะความหลงมันมีอํานาจรุนแรงมากกว่าความรู้ของเราเพราะเราไม่คิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่อยากจะได้อะไรจะไม่อยากจะมีอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะมีอะไรจะได้อะไรมามันก็จะคอยจากเราไปอยู่เรื่อย คอยหนีจากเราไปเรื่อยๆหรือมันไม่จากไปมันก็เปลี่ยนไปจนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไป <c oughs> เช่นเวลาเราพบกันใหม่ๆก็รูปร่างหน้าตาสวยงามพออยู่กันไปนานๆานเข้าก็กลายเป็นคนแก่คนเฒ่าไปกลายเป็นคนละคนไปเลย <c oughs> นี่นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือบุคคลย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไปอยู่เสมอถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนหนึ่งคนใดอยากจะให้เขาเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับวันที่เราได้เขามานั้นเราก็จะต้องเสียอกเสียใจนี่แหละคือความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสอนให้เราดาลึกอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงเมื่อเราไม่หลงแล้วเราจะได้ไม่อยากได้อะไรแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุข เราจะมีความสามารถที่จะเสียสละได้เพราะเราไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใครใครอยากจะได้อะไรก็ให้ไปให้เขาเอาไปเราไปหาใหม่ข้างหน้าก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอยู่ได้มีพระภิกษุนักบวชทั้งหลายเขาทำเป็นตัวอย่างเขาไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาก็อยู่ได้เขาไม่มีบ้านไม่มีรถยนต์ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองต่าง เขาก็อยู่ได้และอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีข้าวของเงินทองต่างๆเราอยู่กับความห่วงใยความกังวลความเสียดายความหงแหนดังนั้นจึงขอให้เราจงเชื่อพระพุทธเจ้าและขอให้เราหันมาหันมาสร้างความสวยงามทางด้านจิตใจเพื่อเราจะได้ปล่อยวางเพื่อเราจะได้เสียสละ เพื่อเราจะได้มีความซื่อสัตย์สุดจริตและเราจะได้อยู่อย่างมีความล่มย็งเป็นสุขจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเส ร, ริมความงานทางด้านจิตใจนี้ให้ท่านได้นำไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้